แนะนำบทอัตตารีบบทอัตตารีบเป็นบทมะดะเนียะห์มี 12 องค์การบทได้เริ่มกล่าวถึงการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามตัวท่านไม่ให้ไปคล้องเกี่ยวกับทาสของท่านคือมารียะห์อัลกิบเดียะห์ซึ่งเป็นชาวกอฟมาจากอียิปต์และห้ามตัวท่านไม่ให้มีความสัมพันธ์กับนางเพื่อเอาใจภริยาบางคนของท่าน การตำหนิของอัลเลาะห์ที่มีต่อท่านในเรื่องนี้นั้นเป็นไปอย่างนุ่มนวลและอ่อนโยนแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของอัลเลาะห์ต่อบ่าวของพระองค์และรอซูลของพระองค์คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่าทำตัวของท่านให้แคบลงในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ความกว้างแก่ท่านบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องที่น่าเป็นอันตรายคือเรื่องการเปิดเผยความลับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา อันเป็นการคุกคามการดำรงชีพของสามีภรรยาโดยได้ยกอูทาหอในเรื่องนี้ขณะที่ท่านได้บอกความลับแก่ฮับซอและขอให้นางปกปิดไว้เป็นความลับแต่นางได้เปิดเผยความลับนี้แก่ไอชาจนกระทั่งเรื่องได้แพร่ออกไปทําให้ท่านรอซูลโกรธเคืองยิ่งนักจนกระทั่งท่านตั้งใจที่จะหยาภริยาของท่านวันนี้ได้กล่าวตําหนิบรรดาภริยาของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เมื่อได้เกิดเรื่องการแข่งขันระหว่างพวกนางคาริสยาซึ่งกันและกันด้วยเรื่องเล็กน้อยถึงกับคู่สัมทับพวกนางว่าอัลเลาะห์จะทรงเปลี่ยนภริยาที่ดีกว่าพวกนางให้แก่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนี้เป็นการสนับสนุนแก่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ได้จบลงด้วยการยกอุทาหรณ์ 2 เรื่องคือเรื่องของภริยาผู้ปฏิเสธที่อยู่ในความคุ้มครองของคนดีมีคุณธรรม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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دوয়াতরনাম খং আল্লাহ পুসং করুণা পুসং মেতা সমেৰ ইয়া আইয়ুহান নবি লিমা তাহরিম মা আহাল্লা আল্লাহু লাক তাবতাগিমা الضات আজওয়াজিকা ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম ও নবি এয়ে তমাই চাও জিং হাম সিং থি আল্লাহ দাই সং অনুমত হাই কে গাউ เพื่อแสวงหาความพึงพอใจของบรรดาภริยาของเจ้าเหล่าและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอขอทรงพอใจให้การอายมานของพวกเจ้าและอัลเลาะห์มอลาของพวกเจ้าและพระองค์ทรงทรงรู้และทรงปรีชาความจริงอัลเลาะห์ได้ทรงกําหนดแก่พวกเจ้าแล้วในการแก้คําสาบานของพวกเจ้าและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงคุ้มครองพวกเจ้า لَأَبْرُهُمَ بِأَنَّهُ سَمِعَ وَعَلِمَ وَسَمِعَ الْبَشَائِرَ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْضَهُ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ لاจองรำลึกถึงขณะที่ท่านนบีได้บอกความลับเรื่องหนึ่งแก่ภริยาบางคนของเขา ครั้งเมื่อนางได้บอกเล่าเรื่องนี้แก่คนอื่นแล้วรอได้ส่งแจ้งเรื่องนี้แก่เขาท่านนบีเขาก็ได้แจ้งบางส่วนของเรื่องนี้และได้แจ้งอีกบางส่วน คันเมื่อเค้าท่านนบีได้แจ้งเรื่องนี้แก่นางนางได้กล่าวว่าใครบอกเล่าเรื่องนี้แก่ท่านเท่าท่านนบีกล่าวว่าพระผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงตระหนักยิ่งทรงแจ้งแก่ฉัน وَاِذْ تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ หากเจ้าทั้งสองกลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ก็จะเป็นการดีแก่เจ้าทั้งสองเพราะแน่นอนหัวใจของเจ้าทั้งสองก็อ่อนโยนอยู่แล้วแต่หากเจ้าทั้งสองร่วมกันต่อต้านเขาท่านนบี แท้จริงคือผู้ทรงคุ้มครองของเขาอีกทั้งยิบรออีลและบรรดาผู้ศรัทธาที่ดีๆและนอกจากนั้นมาลาอิกะฮ์ก็ยังเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเขาอีกด้วย